<c oughs> มาพร้อมกับเรือ่าา้าพร้อมแล้วก็เข้าหาหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธบริษัทท่านประสงค์องค์เนอุบาสกอุบาสิกาโอกาสการเวลาที่พวกเรา ได้มาตั้งใจฟังตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนขององค์ศาสดาเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นศาสดาเอกสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะเจาะจงชาวพุทธนาะ ทั่วโลกมนุษย์ทั้งหลายควรที่จะได้มีโอกาสได้สดับรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้นนหะทำไมเพราะพระองค์สอนที่แนวทางเรื่องสุขสมบัติสมบัติสุขที่พระพุทธเจ้าตรัส จ, จะรู้รู้แล้ว อันนั้นแหละที่พระพุทธเจ้ามองว่าจิตใจของมนุษย์คนเราทั่วโลกต้องการปรารถนาความสุขเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้จได้เจอได้รู้ได้เห็นได้รตราสรู้แล้วปรารรู้รู้แล้วเรื่องความสุขที่เกิดขึ้น อันนั้นคือสุขสมบัติในมนุษย์อันนี้อันหนึ่งอันที่สองสุขสมบัติในสวรรค์สมบัติเป็น เ, เทวดาพระอินทร์พระพรหมสุขสมศสรีนิพพานสมบัติพระพุทธเจ้าตรัสรู้รู้แล้วเห็นแล้วจึงได้นำมาบอกมาสอนว่ามันเป็นของ อัจรร์จริงๆพอสุขสมบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความดีเกิดขึ้นจากความถูกต้องฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเส้นทางมัคคมเทศกเส้นทางให้เข้าถึงสุขสมบัติ มนุษย์สมบัติที่พวกเราเกิดมาพบนีชาตินี้อาศัยหลักสินธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติพวกเรามีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนที่จะให้เกิดความเป็นบุญ ความเป็นบุญคือความสมบูรณ์ในชีวิตความสมบูรณ์ในสมบัติมนันมีสมบัติเกิดขึ้นมาพบนี่ชาตินี้เห็นได้ชาติใดว่าพวกเรานี่บุญพาพวกเรามาเกิดเพราะ อ, อ่านในสงส์อดีตชาติที่ผ่านมาพวกเรา ได้เกิดมาเจอมาเจอหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ยินได้ฟังเชื่อมัน่นในเหตุผลว่าการละเว้นจากความชั่วการประพฤติอยู่ในความถูกต้องดีงามมีหลักศีลธรรมเป็นเครื่องวัด พวกเรามีความเชื่อมั่นลักษณะนี้ผลอานิสองอันนั้นแหละนำดวงจิตดวงใจของพวกเรามาเกิดคบนี่ฌานนี้ก็แสดงว่า <c oughs> ดวงจิตดวงใจของคนเราเนี่ยมนุษย์คนเราเนี่ยมันตายไม่เป็นมันดับไม่เป็น ฉะนั้นภพนี้ชาตินี้บุญผาพวกเรามาเกิดด้วยอานิสงส์การเว้นจากความชั่วตามหลักสินธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและบุญกุศลนอกจากเว้นจากความชั่วแล้วพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติลูกสมบัติของพวกเรา ว่าเจสมบัติคําพูดของพวกเรามนโนสมบัติคือจิตใจของพวกเราอาศัยสมบัติภายนอกเป็นปัจจัยสนับสนุนส่วนหนึ่งฉะนั้นสมบัติภายในรูปร่างกายพวกเราสมบัติภายนอกปัจจัยเครื่องอาศัยที่พวกเราใช้อยู่ทุกวันเนี่ย ตัวทำบุญทำทานรู้จักการรู้จักเวลากาละเทศะโอกาสการเวลาเพราะพวกเราได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าใจดวงนี้แจ่ไม่เป็นยัตายไม่เป็นทำความดีเอาไว้เพื่ออนาคตพบหน้าชานันนา ถ้าเผื่อพวกเรานําหลักคําสอนของพระพุทธเจา้าด้วยพลังของศีลของสมาธิจิติปัญญาที่เนี่ยมาเรียนรู้ตามคําสอนของพระพุทธเจา้าว่าสิ่งที่ก่อพบก่อชาติมันมีอยู่ในดวงใจของพวกเราทั้งประสงค์องค์เนรอุบาสกอุบาสิกาอันนั้นก็คือ ความโลภยังมีในใจความโกรธยังมีในใจความหลงยังมีในใจตัณหาทั้งสามการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาทั้งสามมาประสานกับเกเรทั้งสามโลภโลกรธหลงอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยจะต้องมาใช้ปัญญ า, าที่นี้เลือกเป็น ฉะนั้นการมาได้ยินได้ฟังมาศึกษาตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามานุษย์คนเราทุกชาติชานวันลนะเรื่องกิเลสเรื่องตัญหาท่าจะเป็นสามัญชนเป็นปุถุชนนี้โดยกันอย่งนั้นฉะนั้นการศึกษาหาความรู้ทั้งทางนอก ทั้งคำในสถาบันพุทธศาสสนาโดยเฉพาะสถาบันพุทธศาสนาเป็นความรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าเอามาเสริมความรู้คือใจให้เกิด ต, ติปัญญาทางที่ดีทางที่ชอบมาผสมประสานกับความรู้ที่พวกเราศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่มีเหตุมีผลเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนถ้าว่าดตามโลกเป็นหลักวิทยาศาสตร์โลยิยะปัญญานอกจากโลยิยะปัญญาเป็นความรู้สอนในทางหลักวิทยาศาสตร์พระพุทธเจ้ายัางเหนือกว่าหลักวิทยาศาสตร์แบบโลกโลกอันนั้นคือโลกุตระปัญญา ปัญญาที่พระพุทธเจ้าประทุลูกฉะนั้นปัญญาทั้งสองระบบเนี่ยพวกเราศึกษาพวกเราได้ยินได้ฟังคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเอามาเสริมธาตุรู้คือใจเนี่ยให้ใจพวงเราเนี่ยมีความรู้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเชื่อมั่นตามเหตุผลทีนเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนด้วยเหตุด้วยผลผลการที่ทำความชั่วด้วยอำนาจิเเดชัญหามันก่อให้เกิดทุกข์ทำน้อยเกิดน้อยเป็นทุกข์น้อยทำมากเิดมากเป็นทุกข์มาก เหมือนอย่างพวกเรารู้ลอยู่ฉะนั้นทางการชีวิตที่จะเป็นประโยชน์สุขไม่เฉพาะพวกเราที่กำลังนั่งฟังนั่งปฏิบัติอยู่ในขณะนี้คนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสเดิมานั่งฟังก็แบบเดียวกันพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเลย อันนั้นคือท่ามกลางของความสงบเดี๋ยวนี้กำลังพวกเรากำลังอยู่ในท่ามกลางของความสงบพระพุทธเจ้าสอนให้เข้าใจความสงบทั้งภายในด้วยภายนอกเดี๋ยวนี้มันไม่มีปัญหาแล้ว ยังเหลือแต่จิตใจความสมบทางจิตใจอันเนี้ยอันนี้พวกเราควรจะใช้ปัญญามาเลือกเป็นอารมณ์ประเภทไหนที่มันเป็นอารมณ์ของสิลงของธรรมอารมณ์ประเภทไหนที่มันเป็นอารมณ์ของกิเลสโลภโกรธหลงตัณหา เราจะมาเลือกใช้ปัญญาปัญญาเลือกเป็นเจนนสินทาข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามีสติปัญญาติดสติปัญญาเลือกเป็นในสิ่งที่มันมีในใจ หลักธรรมจะว่าอารมณ์อารมณ์ของสิ่นอารมณ์ของธรรมเรามาเรียนรู้ใจของเราเหมือมันมันมีอารมณ์ความนึกความคิดความนึกความคิดอารมณ์ประเภทไหนนึกแล้วคิดแล้วมันมีเรื่องมันมีปัญหา ตรงใคจค่วมฉลาดเลือกเป็นในอารมณ์ประเภทนั้นอารมณ์ประเภทนั้นที่มีปัญหานั้นไม่ใช่อารมณ์ของสิ่งของธรรมมันเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นอารมณ์ของตัณหามัใช้ค่วมฉลาดเลือกเป็นในอารมณ์ของสิ่งดูใจของพวกเรา เสนคือความเรียบร้อยอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยเสนคือความปกติกายปกติใจเราได้ฟังเราได้ยินได้ฟังแล้วโอป็นไงกน้อมดูใจเราจะอารมณ์ของสิ่งนั่นเนี่ย เป็นวิหารและทำเครื่องอยู่ของใจเศรคือความปกติดีของใจอารมณ์ดีของใจดูใจที่มีอารมณ์เป็นปกติดูใจที่มีอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยอันนี้เมื่อเรานึกขึ้นมา เราเห็นลักษณะนี้มีในใจสติทมเกลื่อนะลึกโลกอารมณ์ดีอารมณ์เป็นปกติสีลังสีลาท่านเปรียบเหมือนแผ่นเอ็นก้อนเอ็น แทนเห็นก็นเห็นฝนตกมาแดดมาลมมามันไม่ส่ทกสะทานมันไม่หวั่นไหวปกติดีใจของพวกเรามาฝึกให้ใจของพวกเรามีความปกติดีตั้งมั่นหนักแน่นอยู่กับอารมณ์ลกนนักษณะเยี่วสีลานุสติ เอาลักษณะของสิลเป็นอารมณ์นอกจากความเรียบหน่อยยานะสังวรระวังอารมณ์ส่วนอยากเพ่มันเิกมันชิดฟุ่งร้านรำคาญ น, นั่นแหะถ้าอยากไปกว่านั้นแล้วไปกว่านั้น ยิ่งเกิดเป็นภกเป็นโทษเห็นทันหหดตันตาเลยอันนั้นคือล่วงละเมอจากสิขาบทที่พระพุทธเจ้าห้ามทำไมพระองค์จึงห้ามเพราะอันนั้นเป็นเส้นทางแนวทางการกระทำของกิเลสอันหา กิเลสจันหายากายสมบัติรูปร่างของมนุษย์คนเราไปทํามันผิดทําแล้วมันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นทุกข์ทามใจเป็นโทษทางใจโทษมันก็ผิดเคสมันก็ผิลดลักษณะความผิดอันนั้นแหะมันเป็นแนวทางของเทพระพุทธเจ้าห้ามเพราะมันเป็นแนวทางของกิเลสของจันหา ฉะนั้นหลักพระพุทธเจ้าจึงให้เห็นคุณค่าการเวลาที่เกิดขึ้นมาบุญผามาเกิดแล้วให้เห็นคุณค่าคํำบางการเว้นจากความชั่วการเว้นจากความชั่วส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดได้จะทําให้ใจมีความสุขความสบาย ความสุขความสบายที่มนุษย์คนเราต้องการปรารถนาอันนี้แหละมันจะเกิดขึ้นได้บขึ้นได้เพราะเราปฏิบัติตามเหตุผลในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีการได้ศึกษาในเหตุในผลร้อยทั้งร้อยเลย กิเลสตัณหาโลภโกรธหลงตัณหาเนี่ยมันจะเอาสมบัติอลำค่าของเราเนี่ยมาเป็นเครื่องมือของมันเพราะกิเลสตัณหาเนี่ยมันไม่ได้เท่ า, า ไ, ได้แจ่เหมือนรูปร่างกายของมนุษย์คนเราากนั้ น, นจิตจิตใจที่มันเป็นสมบัติอลำค่าก็ไม่ได้เท่าไม่ได้แจก กิเลตัณหาก็ไม่เคยเท่าเคยแจ่มเจตใจไม่เคยเท่าไม่เคยแจ่พระพุทธเจ้าจึงใช้ความฉลาดฉลาดเลือกเป็นเรียนรู้ว่าสิ่งที่เท่าแจ่มลาดคำฆ่าก็คือรูปร่างกายของพวกเรา มนุษย์คนหน่ไม่มีใครที่จะหลีกได้เรียนได้เกิดแก่เจ็บตายถ้าอยู่ไปหลายวันเลือหลายเดือนหลายปีต้องเจอลักษณะนี้แน่นอนและจแตนั้นถึงยังไงยังไง สุขภาพร่างกายของพวกเราเหลี่ยมไม่ได้เลียงไม่ได้ความเท่าความเจ๊ถ้าพวกเราอยู่วันเดือนปีไปหลายวันหลายเดือนหลายปีพวกเราต้องยอมรับเจ็บไข้ได้ป่วยตามมาพวกเราก็ต้องยอมรับเพราะรูปร่างกายของมนุษย์คนเราไม่มีส่วนไหนที่จะไม่เกิดเป็นโรคเป็นภยัย ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มาตั้งใจฟังตั้ง ต, ติฟังทำใจให้อยู่ในลักษณะของศีลของธรรมเศรษคือความปกติดีของใจอารมณ์ ด, อณดีอารมณ์เรียบร้อยไม่ส่งไปตามกระแสของกิเลสทันหาใจมันจะมี ต, ติมีสมาธิแล้วมาพิจนารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า ชาที่ปิดทุกขาชาติความเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีตรงไหนที่รูปร่างเว้นจากความเป็นทุกข์โลภัยไข้เจ็บเหมือนกันเป็นไปนได้ทุกสัดส่วนที่มีในรูปด่างกายของพวกเราถ้ามันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ใช้ติตใช้ปัญญาใช้ความฉลาด ในขณะที่พวกเราพอมีเวลาพอมีกำลังกำลังกายของพวกเรากำลังใจของพวกเราควรจะเห็นต่างความเป็นจริงว่ารูปร่างกายไม่มีส่วนไหนที่จะว่างจากความเป็นโรคเว้่อจากว่างจากสิ่งที่เป็นโลกเป็นภยัยช่วงระยะ ที่พวกเราพอมีกำลังรีบตักตวงรีบฝึกรีบปฏิบัติในลักษณะของศีลของธรรมให้เป็นวิหารธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตใจของพวกเราจากการฝึกจากการปฏิบัติแต่ ย, ยกตัวอย่างที่ว่าศีลลักษณะและกิริยาดูความดีความเรียบร้อยความปกติดีของใจ แต่ฟังได้ว่าเรียบร้อยดีปกติดีกปเลยมันเป็นคนมาเลื่อน ก, กับอารมณ์ของโลกของกิเลสของตันพามันไม่สะทกสถานมันไม่หวั่นไหวการไม่สะทกสะทานได้ยินได้ฟังได้ดูได้เห็นจิตใจมันปกติไม่สะทกสถทานมันไม่หวั่นไหวจิตใจมีพลังของตติมีพลังของสมาธิ ฉะนั้นการที่พวกเราได้ศึกษาได้เห็นได้ฟังสมาธิทำให้จิตใจมีความตั้งมั่นมีความหนักแน่นไม่บันไหวคือเอาลักษณะอารมณ์ของสินของธรรมนี่แหละเป็นวิหารธรรมให้จิตใจมีความยึดมั่นตั้งมั่น ทำมจงให้ยึดให้ตั้งมั่นอยู่ตรงนี้เพราะใจของพวกเรายังไม่พ้นจากอารมณ์สิ่งที่มันเป็นฝ่ายต่ำฝ่ายชั่วถ้าใจเรามีความหนักแน่นตั้งมัน่นทำให้จิตใจมีมีสมาธิมีสติมีสมาธิ ต, าธตั้งมัน่น ใช้ปัญญาวิเคราะห์ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นความเป็นทุกข์ความเป็นโทษเห็นตามความเป็นจริงนั่นละ่ะะนี่ว่าปัญญาบันเจิดปัญญาคือรอบรู้รู้รอบรอบ ร, ร, รู้ในสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้มันมีแล้วในร่างกายของมนุษย์คนเรารวมพวกเรารวมในตัวเราเขาด้วย ฉะนั้นแในสิ่งที่มีในตัวเราในสิ่งที่ควรเรียนรู้ก็อย่างที่ว่ามันมีตรงไหนมันเว้นมันว่างจาะขอมเป็นทุกมันไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วร่างกายของพวกเรามันก็ทุกเหลือนทนทนเหลือทุก อ, อยู่แล้วใจละเอียดกับเรื่องทุกถ่านนอ ก, นกเนื้อจิตปราณานหลงใหลก็เลื่อนอารมณ์ทุกถ่านนอกทีก่ ดังนั้นจึงมีการเลีกยลียงทั้งภายในเลีกยลียงทั้งภายนอกอารมณ์ประเภทนนั้นให้มาตั้งให้มาตั้งอยู่กับลักษณะของสิลของธรรมปกติดีของใจทมใช้ความอดความทนในจิตเจต์ตัหามันพุ่งขึ้นมามันปูขึ้นมา อันนี้มันเป็นอารมณ์ของกิเลสอันนี้มันเป็นอารมณ์ของตัณหามันชิดจะไปคิดตามมันต้องใช้ขันติใช้ความอดใช้ความทนขันติทำนะนะนี่เริ่มเรียนรู้จากข้อวัดปฏิบัติจากการฟังการฝึกถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้ใช้ความเป็นธรรมมาเป็นหลักใจ ขันติธรรมไม่ได้ใช้วความโกรความทนเิเลตสนามมันพาเช็ดไปไปเช็ดไปตามมันมันพาพูดพาไปไิ่ีตามการะแสตามมันไปแล้วความเป็นกิ่นเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราํำมาใช้อยู่ที่ไหนที่ไนเมื่อพวกเราไม่ได้เอาหลักครามสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ ในโลกอันนี้มันไม่มีอะไรเป็นระบบควบคุมอารมณ์ของจิเด็ดอารมณ์ของตัณหาและในโลกอันนี้มันไม่มีอะไรที่จะแก้แไขปกป้องไม่เกิดความทุกข์ความเจ็บความเจ็บความตายโลกอันนี้จต่ในมนุษย์คนเราพระพุทธเจ้าสอนให้ เห็นคุณค่าอันดัแบแรกบนทาตุพวกเรามาเกิดแล้วช่วงระยะพอยาใส่รูปสมบัติได้ก็ต้องอใส่รูปสมบัติของวจชีสมบัติมโนสมบัติของพวกเราทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูกอันนี้คือเราเลือกใช้ความฉล่ไ อย่างท่านสอนให้ฝึกความสงบทางจิตใจจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาฝึกพระองค์ท่านได้จนได้ตรับตะลูลเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านกำเิดหาจากที่อื่นทามกลา ง, งความเงียบ ประทักนั่งอยู่ใต้ลมไม้และกระดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเพราะชีวิตของมนุษย์คนเราหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ได้เพราะลมพระพุทธเจ้าเอาสัจจะความจริงที่ดีอยู่ในพระองค์นี่แหละมาฝึก พระองค์เฟื่งเป็นความเป็นเกิงด้วยวาจาบาและมีความดีจนเกิดเป็นความอัจฉรย์พระไทยเข้าสู่ความสุขปเป็นสมาธิตั้งมัน่นและจากนั้นความเป็นธรรมชาติอันนี้ที่นี่พระพุทธเจ้าจึงนำมาสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทุกคน จะนั่งฟังนั่งฝึกอยู่ที่นี่หรือไม่ได้นั่งฟังไม่ได้นั่งฝึกอยู่ที่นี่เคเวทความเป็นอยู่อยู่ด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกสิ่งที่มีอยู่นี่แหละให้เห็นความจําเป็นให้เห็นความสําคัญกับลมนี่กับการเวลาที่พวกเรามีนี่พระพุทธเจา้ากันหมด สติที่อยู่กับลมเนี่ยให้รู้ให้เข้าใจอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อ ง, อ, อ, งอย่าให้ขาดวักขาตอนอย่าให้เผล อ, อย่าให้ดึกเพรองเห็นคุณค่ากันฝึกของพระองค์ลักษณะ น, นี้จึงได้เห็นความเป็นอัจรรยิยะในนำมาสอนมนุษย์ทั้งหลายบัดนี้พวกเรา ก็ไม่ได้แตกต่างกันอะไรกับพระพุทธเจ้าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อยู่ได้เพราะลมหายใจฉะนั้นพวกเราควรจะภฟมใจเออในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตราัสรู้ก็ไม่ใช่เรื่องเดิมเรืองไกลลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งงติณพนดโลกเพราะพื้นฐานตรงนั้นก็น คือใจไม่มีเรื่องใจไม่มีปัญหาใจมันเป็นปกติดีอันนั้นก็คือลักษณะของสิ่งพวกเราก็เนึกขึ้นมาได้ฝฟกขึ้นมาได้ถ้าฟังเข้าใจแล้วฝึกเชื่อเธอคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงนี้ เราจะเห็นบุญเห็นคุณ <c oughs> บุญคุณของพระพุทธเจ้าบุญคุณของคำสอนนนะบุญคุณของพระเจ้าพระสงฆ์นำหลักสัจธรรมความจริงของพระพุทธเจ้าสอนสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเพราะสัจจ ร, รความจริงของจริง น, นี่ไม่เคยเหินห่างจากชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์คนเรา เรานำมาฟังแล้วนำมาฝึกแต่นั้นส่วนที่จะเกิดเป็นผลความดีสมาธิสติปัญญาเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานมีอยู่ทุกโอกาสการเวลาไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกสมัยขั้นพุธกาลนสมัยปัจจุบันว่าสมัยปัจจุบันมันไม่ถึง มักถึงผลเหมือนเจ้าใหม่ตั้งพุทธการย่าไปเชิดอย่างนั้นเพศถนัดเพราะลมหายใจครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าก็นำมาใจปัจจุบันพวกเราพวกเราเ็มีลมหายใจเข้าออกอยู่ไม่เห็นต่างกันตรงไห น, นถ้าหมดลมเร็วกว่าตายอันนี้สิ่งที่มันพวกเราจะ เห็นคุณค่าการเวลานี่ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะพวกเรามันพร้อมอยู่แล้วเมื่อพร้อมการเวลาอย่างนี้ท่นเนี่ยแล้วก็นำมาฝึกผลจากการฝึกแน่นอนต้องเป็นไปเพื่อสมาธิจิตเป็นไปเพื่อความสุขความสงบแบบธรรมชาติถ้าเผื่อพวกเราฟังเชื่อมั่นในเหตุในผลอย่างนี้ จะเห็นคุณค่าชีวิตความเป็นอยู่เกิดขึ้นมาทศาความเชื่อนักเหตุผลเว้นจากค่วมชั่วโสสมบัติไม่ต้องสงสัยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติคือเว้นจากข่วมชั่วตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าบอกไวส้สอนไว้อันนี้ศรัทธาธรทำทศาความเชื่อ นำให้ใจิตใจของพวกเรามีความตั้งมั่นอยู่กับทางเส้นทางที่ถูกต้องเพื่ออนาคตของชีวิตถ้าเผื่อพวกเรายังอยู่อาศัยบุญกุศลอยู่ในภพในชาติถ้าเผื่อพวกเราตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติมีพลังของสมาธิมีพลังของสติปัญญาชำระโลภโกรดหลงออกจากดวงจิตดวงใจของพวกเรา ความเศร้าหมองเกิดจากโลภโกฎวงความเศร้าหมองเกิดจากกุเลตนาออกจากดวงจิตรมใจของพวกเราได้บริสุทธิ์หมดจดเมื่อไหร่นั่นแหละตรงนั้นแหละคือจุดหมายปลายทางที่ใจของพวกเราต้องการหรือว่าจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าสอนฉะนั้นในการกำหนดเวลานั่งสมาธิ เราจะกำหนดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกมันต่อเนื่องต่อเนื่องตัว น, ออน่องต่อเนื่องด้วยพลังสติอาณาปานุส ต, ติภาษาธรรมันเรียกภาษาเราก็คือกำหนดตั้งสติ ด, ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกอย่าไปเผลอตั้งมั่นอยู่ในขณะทุกขณะจิตหรือจะใช้ก ร, รคำคำวกรรมพุทโธพุทโธ เป็นส่วนประกอบคำว่าพระพุทธองค์ไม่ได้หายไปไหนเนี่ยเรานึกขึ้นมาเมื่อไหร่กบมีก็เห็นอยู่เมื่อนั้นสำคัญแต่ว่าศรัทธาความเชื่อยินดีพอใจกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรายินดีพอใจนำมาใช้อุตอนระนียินดีเถอะนำมาใช้เถอะตัวเนี้ย อัตนี้ต่อไปจะได้ยุดอธิบายต่างท่านต่างองค์งงต่างคนพอเข้าใจความหมายได้กับพื้นฐานของที่กาหนด <c oughs> บริกรรมนิโดรลมหายใจก็ออกพื้นฐานตรงนั้นก็คือใจดีใจเป็นปัจจิพื้นฐานได้ใช้ส่วนประกอบกำหนดคันบริกรรมกันต่อไปทีนี้ บทวนคติ้อคิตที่นำมาเป็นเครื่องประดับตุธปัญญาท่ามกลางของอารมณ์ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมในชีวิตในจิตใจนะดังนั้นเอยเมื่ออารมณ์ของจิตใจ กับการกระทบกระเทือนเรื่องธาตุเรื่องขันทุกขเวทนาเจ็บปวดเหนื่อยเมื่อยเหวี่ยเรื่องธาตุเรื่องขันหลุลาอารมณ์ของจิตใจสติของพวกเรา ฟังลักษณะของศีลของธรรมแล้วนำมาใช้ใช้ปัญญาอันชอบนำมาเป็นให้เกิดวิหาระธรรมเครื่องอยู่ของจิตใจที่อยู่ในธทรมกลางาของปัญหาอย่าไปสะทกสถานเจ็บอยู่ปวดอยู่เหนื่อยเมื่ อ, อยหิว แต่ใจอย่าไปหวั่นไหวใจไม่หวั่นไหวก็ใจปกติดีอันเดียวกันอารมณ์ที่มันนึกกันชิตเกิดขึ้นทางจิตใจถ้าเป็นอารมณ์ไม่แจเรื่องโมหะกิเลสตัณหามันพาชิตอย่าไปหวั่นไหว คิดแล้วเบเจเตรู้ก่อยอย่านำเอามาเป็นเรื่องเพราะเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องมันเกิดขึ้นเพราะแรงฤทธิ์ของโมหะความหลมแรงฤทธิ์ของกิเลสยางฤทธิ์ของตัณหาการมะตันหายินดีในรูปเป็นเสียงในจิ่นในรถ กิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายมันไม่ได้เท่าไม่ได้เจมันไม่ได้เป็นโลกเป็นภัยกับใครเหมือนรูปร่างกายฉะนั้นจ้งใช้ปัญญาความฉลาดเลือกเป็นจะเกิดกับเราหรือเกิดกับใครก็ตามใจของเราได้มีความหนักแน่นอย่าไปหวั่นไหว รู้ตัวรู้สึกตัวดีเป็นปกนตินีผลจากการฟังเข้าใจและผลจากการฝึกมันจะเกิดเป็นประโยชน์เป็นกำลังจิตกำลังใจใจของเรามีกำลังของศีลของธรรมเป็นกำลังแต่แล้วเมื่อท่ามกลางาของสังคมท่ามกลางาของปัญหาใจมันไม่กระท กระทบกระเทือนไม่สะทบสะทานไม่หวั่นไหวมันก็มีปัญญาเลือกเว็นเหตุผลควรจะใช้ยังไงควรจะแก้ยังไงควรจะทำยังไงสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้ น, ม, นมันไม่ได้เกิดจากกะไรมันเกิดจากแรงฤทธิ์ของกิเลสแรงฤทธิ์ของตัณหา ถ้าพวกเราทุกท่านทุกองทุกคนรู้เรื่องลักษณะนี่ควรไหมที่จะให้แรงลิตประเทศที่พระพุทธจเจ้าสอนมันเป็นพิษเป็นภัยให้มากระทบกระเทือนจิตใจจิตใจของพวกเราไม่มีระบบป้องกัน คือลักษณะของศีลของธรรมพวกเราไม่ได้เอามาเป็นระบบป้องกันเป็นเครื่องป้องกันควรไหมจะไปเชิดอย่างนั้นแต่นั่ น, นไม่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์จึงใช้ความเจะละเลือกเฟ็นเรียนรู้แต่ในขณะปัจจุบันในเหตุปัจจุบันจจบนนผลในขณะ น, นี้ทุกวันทุกโอกาสการเวลาเราจะเห็นกุศโลมีหนา้า ลักษณะของศินของธรรมพระพุทธเจ้ายังสอนให้เด็กให้เลีอันจากสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษแรงฤทธิองกิเลสตหาสินหา้าสิลแปดสินเจ็ดถึนสองร้อยเจ็ดมาเพื่อความเป็นสินเป็นธรรมย่างที่ว่าเนี่ยจะเนี่ยเจ็บใจไม่หวั่นไหวเจ็บใจมีอารมณ์ดีเป็นปกติดีไม่จะทกส์ทานไม่หวั่นไหวเป็นยุหาและธรรมอา เครื่องอยู่เครื่องอาศัยของจิตใจได้เลทีนีเห็นคุณค่าเลยการฟังการฝึกวันนี้เห็นว่าพอสมควรเจเวลาพวกอยาิโยมเดินทางไกลก็มีเปลี่ยนในบทพักผ่อนภมนาของใครของเราเอาที่นี้